พระไตปิฎกเล่มที่1ิบสเทวทูตสูตรสัญญาณเตือนจากเทวทูตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบูรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นเพิ่งเห็นคนกาลังเดินเข้ากาลังเดินออกกาลังเดินมากาลังเดินไปแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กาลังจุติคือตายกําลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปนตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกรรมดีทางกายวาจาใจเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือไปเกิดในหมู่มนุษย์ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบกรรมชั่วทางกายวาจาใจเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปรตวิสัย หรือในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในอบายทุกติวินิบาทเนรกภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลจับแขนเข้าไปแสดงต่อพยายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาบิดาไม่เกื้อกูลผู้ออกบวชประพฤติธรรมและไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์จงลงโทษคนผู้นี้เถิด ภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนซักไซไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์ให้เห็นบ้างไหมเขาตอบว่าไม่เคยเห็นเทวทูตข้อนี้คือสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทได้แก่การเกิดใหม่หลังตายแล้วหากยังไม่ถึงนิพพาน คำว่าไม่เคยเห็นคือไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยคิดถึงหรือชุกคิดถึงเรื่องนี้เลยเมื่อไม่มันระลึกถึงก็ประมาทเมื่อประมาทจึงไม่คิดทำความดีพญายมถามเขาว่าเคยเห็นเด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนงายกลิ้งเกลือกอยู่ในอุจจาระปัสสาวะของตนบ้างไหมเขาตอบยอมรับว่าเคยเห็นพญายมถามว่า ไม่เคยคิดเลยรู้ว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้คือหลังจากตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกหากไม่ถึงนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยพญายมจึงกล่าวว่าเพราะไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจ เพราะมัวประมาทอยู่จึงต้องได้รับโทษเป็นทุกข์ตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้นั้นบิดามารดามิตรอมาตย่าสาโลหิตเทพเทวาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเพราะเจ้าทำตัวเองแท้ๆจึงต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงเขาถึงเทวทูต ท, ที่หนึ่งแล้ว จึงสอบสวนซักไซไล่เรียงถึงเทวทูต ท, ที่สองว่าเคยเห็นเทวทูต ท, ที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างไหมเขาตอบว่าไม่เคยเห็นข้อนี้คือสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทคือความแก่ในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80สปี90ปีหรือร้อยปี เป็นคนชราหลังโกงหลังค่อมถือไม่เท้าเดิน ง, งกเงื่อๆเก๊ะกังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกรักเจ้าเคยเห็นบ้างไหมเขาตอบว่าเคยเห็นเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เอาเธอเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเลยเพราะมัวประมาทอยู่พญายมจึงกล่าวว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมวประมาทอยู่จึงต้องได้รับโทษเป็นทุกข์ตามฐานะที่ประมาทก็บากกรรมนี้นั้นบิดามารดามิตรอามาตญ่าสาโลหิตเทพเทวาไม่ได้ทำให้เจ้าเลย พระเจ้าทำตัวเองแท้จึงต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซแล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซแล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นข้อนี้คือสัญ ญ, ญาณเตือนให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทได้แก่ความเจ็บป่วย ในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษเจ็บป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในอุจจา ร, ระปัสสาวะของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าเคยเห็นบ้างไหมเขาตอบว่าเคยเห็นเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถอะ เราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเลยเมื่อเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจประมูวประมาทอยู่นั้นจึงต้องได้รับโทษเป็นทุกข์ตามฐานะที่ประมาทกบาปกรรมนี้นั้นบิดามารดามิตรอามาตย่าติสาโลหิตเทพเทวาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเพราะเจ้าทำตัวเองแท้จึงต้องรับผลของบาปกรรมนั้น พยาโยมครั้นสอบสวนซักไซไ ล, ล่เลียงเข้าถึงเทวทูตที่สามแล้วจึงสอบสวนซักไซไ ล, ล่เลียงถึงเทวทูตที่สีว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่สปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างไหมเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะข้อนี้คือสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทคือการถูกลงโทษของผู้ทำบาปหรือผลจากการทำบาปในหมู่มนุษย์ พระราชารับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญะด้วยประการต่างๆให้เคี่ยนด้วยวายบ้างตัดมือตัดเท้าบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างเจ้าเคยเห็นบ้างไหมเขาตอบว่าเคยเห็นพญาโยมจึงกล่าวว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้คิดอย่างนี้เลยรู้ว่าได้ยินว่าสัตว์ผู้ทำบาป ก, กรรมไว้เหล่านั้น จะถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นปานนี้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงชาติหน้าเลยเอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเลยพญายมจึงกล่าวว่าก็เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาดอยู่นั้นจึงต้องได้รับโทษเป็นทุกตามฐา น, นะที่ประมาด ก็บาป ก, กรรมนี้นั้นบิดามารดามิตรอมาตย่าสาโลหิตเทพเทวาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเพราะเจ้าทำตัวเองแท้จึงต้องรับผลของบาป ก, กรรมนั่นเองพยายมครั้นสอบสวนซักไซแลเลียงเข้าถึงเทวทูตที่สี่แล้วจึงสอบสวนซักไซแลเลียงถึงเทวทูตที่ห้าว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างไหมเขาตอบว่าไม่เคยเห็น ข้อนี้คือสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงกติธรรมดาของชีวิตไม่ให้ประมาทคือความตายในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายหนึ่งวันบ้างสองวันหรือสามวันบ้างผ่องขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าเคยเห็นบ้างไหมเขาตอบว่าเคยเห็นก็เจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้คิดอย่างนี้เลยรู้ว่า ถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ลวงอ้นความตายไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเลยเพราะมัวประมาทอยู่ก็เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่นั้นจึงต้องได้รับโทษเป็นทุกข์ตามฐานะที่ประมาทก็าบาปกรรมนี้นั้น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 เขาสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลชุดลากเข้าไปเอาขวานถากเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นดินอันร้อนลุกเป็นเปลวโชคช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาถานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลูกโชน จับเขาทุ่มลงในหม้อทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปจากนั้นนายนิรยาบานจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็ก ลูกโจรชด ช, ช่วงแผ่ไปไกลด้านละหนึ่งรยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโผล่ขึ้นจากทิศหนึ่งสู่ทิศหนึ่งมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากทุกด้านเขาเสวยทุกขเวทนากล้ายอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป ภิกษุทั้งหลายเปลวไฟแห่งมหานรกนั้นลุกโคลงขึ้นจากทิศหนึ่งสู่ทิศหนึ่งมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากทุกด้านเขาเสวยทุกเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปมีสมัยที่บางครั้งบางคราวเมื่อลวงการไปนานประตูด้านหนึ่งของมหานรกนั้นถูกเปิดเขาจะวิ่งไปที่ประตูนั้นอย่างรวดเร็ว จึงถูกไฟไหม้ผิวหนังเนื้อเอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็มอดไหม้เป็นควันอวัยวะที่ถูกแยกออกแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีในขณะที่เขามาถึงประตูนั้นจะถูกปิดเขาจึงเสวยทุกขเวทนากล้ายอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไป ในมหานรกนั้นประตูแต่ละทิศจะผลัดกันเปิดล่อให้สัตว์นรกวิ่งไปเพื่อหาทางออกแต่ก็ถูกเผาไหม้ซะก่อนรอมประตูปิดลงและต้องทนทุกอย่างสิ้นหวังในมหานรกนั้นต่อไปเวลา น, านานผ่านไปประตูด้านอื่นเปิดอีกก็จะมีความหวังที่จะวิ่งไปเพื่อหนีจากนรกนี้อีกถูกไฟนรกแผดเผาซ้ำซากยาวนานประมาณไม่ได้ จนสิ้นกรรมที่ต้องเสวยในมหานรกนั้นในที่สุดจึงออกทางประตู ด, ด้านหนึ่งของมหานรกนั้นมาได้ภิกษุทั้งหลายรอบรอบมหานรกนั้นมีคู่นรกขนาดใหญ่อยู่คู่คืออุจรักเขาตกลงในคูดนรกนั้นในคูดนรกนั้นแลสัตว์ปากเข็มทั้งหลายย่อมเจาะผิว เจผิวแล้วจึงเจาะหนังเจาะหนังแล้วจึงเจาะเนื้อเจาะเนื้อแล้วจึงเจาะเอ็นแล้วจึงเจาะกระดูกกินเยื่อในกระดูกเข้าสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปรอบๆคูดนรกนั้นมีกุกุระนรกขนาดใหญ่อยู่ เขาตกลงในกุกุลนานรกนั้นจึงเสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในกุกุลาเนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปรอบๆกุกุลนานรกนั้นมีป่างิ้วขนาดใหญ่สูงหนึ่งโยชมีน้ำยาวส6บองคุลีร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟนายนิรยาบาลบังคับเขาขึ้นลงที่ปางิ้วนั้น เขาสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่างิ้วนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปรอบๆป่างิ้วนั้นมีป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่เขาเข้าไปในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่เป็นดาบถูกลมพัดแล้วจะตัดมือเข้าบ้างตัดเท้าเข้าบ้างตัดมือและตัดเท้าบ้างตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้างเขาเสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นแต่ยังไม่ตายราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปรอบรอบป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำอันมีน้ำเป็นดางขนาดใหญ่อยู่เขาตกลงไปในแม่น้ำอันมีน้ำเป็นดางนั้นจึงลอยไปตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้าง เขาเสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกแม่น้ําอันมีน้ําเป็นด่างนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิน้นภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบานใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจําเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่า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 เขาสวยทุกเขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาป ก, กรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิเรียาบาลถามเขาอีกว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าค่ะนายนิเรยาบาลจึงใช้ขอเหล็กอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเกี่ยวปากให้อ้า แล้วกรอกน้ำทองแดงอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไปเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจึงลวกริมฝีปากบ้างลวกปากลวกคอลวกท้องลวกไส้ใหญ่ไส้น้อยของเขาออกมาทางทวันหนักเขาสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงโยนเขาเข้าไปในมหานรกอีก ภิกษุทั้งหลายพยาโยมได้คิดว่าเราได้เห็นชนที่ทำบาปอกุศลละก ร, รมไว้ในโลกจึงต้องมาถูกนานิรยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้จึงเกิดความปรารถนาขึ้นว่าขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์พึงแสดงธรรมแก่เรา และเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ข้อนี้คือปรรถนาการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุธรรมเพราะมนุษย์เป็นพบเดียวเท่านั้นที่สร้างกุศลประพฤติธรรมได้ดีที่สุดและหากยังไม่บรรลุธรรมย่อมมีโอกาสเกิดความประมาทไปสู่อบายภูมิได้โดยง่ายและกว่าจะพ้นอบายภูมิไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องทนทุกข์อยู่นานแสนนานกว่าจะมีโอกาสกลับมาแก้ตัวหมายอีกครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้ฟังความนั้นจากสมณพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเอ ง, ท ร, เองทราบเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุขวศสสดารั้นตรัสอวยยากรณภพาษิทนี้แล้ว จึงได้ตรัสคถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่ามานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวยอมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น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 หมายเหตุผู้อ่านเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของคนรุ่นใหม่นะครับจึงขอฝากให้คิดไว้สักนิดถึงพระสูตรนี้คำสอนของทางพระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบทั้งการอุปมาการยกโครงเรื่องเล่าให้เข้าใจง่ายและการแสดงธรรมด้วยหลักการหรือเป็นสัจจะความจริงแท้ในระดับต่างๆสําหรับพระสูตรนี้คนเราตายแล้วอาจไม่ต้องไปนั่งให้พยายมสอบสวนถามทีละข้อนะครับ ราสัตว์เกิดตายต่อวันจำนวนมหาศาลเรื่องการซักถามของพยายุมกับคนที่ตายไปนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเกินที่จะเชื่อหรือไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งถามตอบกันและคงใช้เวลา น, านานกว่าจะจบไปในแต่ละวันข้อนี้สงสัยได้นะครับการสงสัยเป็นสิ่งที่ดีของบัณฑิตไม่ใช่ว่าอ่านฟังแล้วก็เชื่อเลยแต่สงสัยแล้วก็ต้องหาความรู้พิจารณา และมองให้เห็นในแง่ของการเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพระสูตรนี้นะครับถ้าอ่านหรือฟังเนื้อหาทั้งหมดบัณฑิตจะพึงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าสอนเพื่อให้เข้าใจง่ายเหมือนยกตัวอย่างการสนทนาของพญายมให้คนที่ฟังทำขณะนั้นค่อยๆ ค, คิดตามระลึกตามทีละข้อคนตายแล้วคงไม่ต้องไปถามหรอกครับว่าเคยคิดบ้างไหมว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตาย เพราะทำชั่วตกนรกไปแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็ต้องเสวยพบนั้นไปอีกตามน้ำหนักกรรมไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงกรรมชั่วที่ทำไว้ได้พระสูตรนี้จุดมุ่งหมายน่าจะเพื่อคนที่กำลังฟังขณะนั้นหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ที่พระธรรมสืบอทอดต่อมาจนถึงบัดนี้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ควรระลึกถึงเทวทูตทั้งห้าไว้เสมอๆจะได้ไม่ประมาท และให้เห็นว่าในนรกนั้นมีความทรมานอันน่ากลัวอย่างไรสำหรับคนไม่เชื่อเรื่องนรกก็ไม่ต้องสนก็นได้นะครับว่านรกมีจริงตามนี้หรือไม่แต่อย่าไปเผลอคิดว่าเป็นแค่นิยายหลอกให้คนกลัวหลอกให้คนทาดีนะครับวินยูชนพึงรู้ข้อความนี้ได้ด้วยอุปมาว่าคำสอนหลายส่วนเป็นเพียงให้คนเข้าใจได้ง่ายความจริง นรกอาจทุกทรมานกว่านี้อีกหลายล้านเท่าฟังธรรมะต้องจับแก่นจับหลักมาพิจรารณาอย่าติดแคบเหลือกนะครับไม่อย่างนั้นก็จะทำให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนพระบางรูปที่เคยคุยกับผมนะครับท่านยืนยันว่าท่านปฏิบัติสมาธิมาเป็นสิบปีก็ยังไม่เห็นผีเทวดาหรือภพภูมิอะไรก็เลยไม่เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงเชื่อว่าเป็นเพียงกุสโลบายหลอกให้คนทาความดีเท่านั้น สำหรับเรื่องความทุกข์ในนรกนั้นถ้าไม่เชื่อว่านรกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงมานั้นมีจริงก็ให้ลองพิจารณาอีกแง่หนึ่งถึงความทุกข์ใจแสนสาหัสในเวลาฝันนะครับเช่นโกรธหวงของไล่ฆ่าพยายามดา่าวิ่งหนีทวงของสารพัดกิเลสที่อยู่ในใจเราในความฝันถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราจะทรมานทุกข์หนักแค่ไหนบางทีแค้นอยากจะฆ่า ค่าเท่าไรมันก็ไม่ตายหรือคิดจะวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่พ้นสักทีด่าเท่าไรก็ไม่หายสาสใจนี่เป็นเพียงทุกตัวอย่างหลังตายที่ติดไปกับจิตของเราจิตเป็นกุศลก็สร้างพบภูมิปราณีตมีความสุขอยู่ร่วมกับจิตที่มีเมตตาเช่นกันให้สังเกตความฝันนะครับมันจะสร้างภาพมาแนบเนียนจนลืมไปเลยว่า มีอีกร่างกายหนึ่งของเรานอนอยู่บนเตียงและเรื่องที่ฝันไม่ใช่ความจริงแต่เราจะคิดว่าความฝันนั้นในขณะนั้นเป็นเรื่องจริงเอาแค่เรื่องเนี้ยที่มันหลอกเราได้ทุกวันแค่ไหนแต่เพราะร่างกายหิวหรือถูกกระตุ้นให้ตื่นเราจึงหลุดจากความฝันอันทรมานนั้นได้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราฝันร้ายที่ทรมานใจสุดๆแล้วเราตื่นไม่ได้อีกเลย ต้องทนทุกทรมานใจแบบนั้นไปอีกแสนล้านปีจะเป็นอย่างไรจะทุกข์แค่ไหนนี่คือตัวอย่างของนรกขั้นต้ น, ตนที่ทุกคนสัมผัสได้จริงกับตัวเองข้อนี้ก็เช่นเดียวกันกับคนที่ฆ่าตัวตายนะครับขณะนั้นจิตก็จะเป็นทุกข์สาหัสฆ่าตัวตายตอนนั้นจิตก็จะจมดิ่งเหมือนคนฟันร้ายที่ตื่นไม่ได้นี่เลยเป็นเหตุให้คนที่มีสัมผัส หรือบางครั้งจะได้เห็นสถานที่ที่คนไปฆ่าตัวตายมาปรากฏกายและฆ่าตัวตายซ้ำๆต้องทรมานซ้ำๆต้องทนทุกข์ไปอีกนานแสนนานกว่าจะหมดกรรมหรือได้สติด้วยหลักการนี้นะครับสิ่งสำคัญของการประพฤติ ธ, ธรรมจึงเป็นเรื่องของการทำดีเว้นการทำชั่วและทำจิตให้ผ่องใสทำทุกอย่างเพื่อส่งให้จิตเป็นกุศลอยู่เสมอ เมื่อสะสมพลังกุศลจิตมีเมตตาสูงปล่อยวางไม่ยึดติดยอมสร้างภพภูมิที่ปราณีตส่งไปอยู่ในโลกที่ปราณีตที่จักรวาลนี้ยิ่งใหญ่จนประมาณไม่ได้ยังมีสถานที่ที่จิตสามารถไปเกิดที่นั่นและรับสุขทุกต่อได้จากบุญบาปหรือจิตอันเป็นกุศลหรืออกุศลที่เราสะสมไว้เองเท่านั้นโลกมนุษย์เป็นเพียงสถานที่สร้างกุศลเป็นสถานที่ให้แก้ตัว ให้เราได้เลือกว่าเราจะสะสมสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสุขในสถานที่ที่มีแต่ความสุขในโลกที่มีแต่ความสุขหรือมีแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนหรือจะพ้นสภาพการกลับมาเกิดกลายเป็นแค่กระแสพลังงานบริสุทธิ์ว่างเปลา่าไร้สุขทุกทั้งปวงทั้งนี้เราเลือกได้เสมอนะครับและทุกสิ่งที่เราทำให้เราไม่ประมาทก็คือ การนำเรื่องเทวทูต ท, ทั้งห้านี้มาหมั่นพิจารณาเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจส่งเสริมแรงใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั่นเอง